วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20สกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมูผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้ใจอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดการที่จะทำให้ใจอยู่ปราศจากความทุกข์และมีแต่ความสุข ใจต้องมีที่พึ่งสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือต้องมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในการให้ความรู้ วิธีการของการดับความทุกข์ต่างๆนี่คือที่พึ่งข้อที่หนึ่งส่วนที่พึ่งข้อที่สองก็คือจําเป็นจะต้องมีอัตตาหิอัตโนโนาโถใจจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ใจต้องเป็นผู้ศึกษา แล้วนำมาไปปฏิบัติใจจึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือสาระที่พึ่งทางใจที่จะรักษ า, าใจให้อยู่อย่างปกติสุขอยู่ิปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจำเป็นที่จะต้อง มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็นำเอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนให้นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ถ้าสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้วิมุติมรรคผลผนิพพานก็จะเป็นผลตามขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือที่พิ่งที่เราจะต้องมาสร้างกันถ้าเรายังไม่มีถ้าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอน เราก็ควรที่จะเข้าหาองค์ใดองค์หนึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จากพวกเราไปแล้วแต่ก่อนที่จะทรงจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงตรัสว่าถึงแม้พระองค์จะจากไปก็ตามแต่ศาสดานั้นยังอยู่กับพวกเราต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาเพราะว่าพระศาสดา ที่จะมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเองที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันเป็นธรรมที่สอบเป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโ ม, มเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วสามารถนำอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะเข้าถึงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระธรรมคาสอนวิธีจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ต้องเข้าผ่านพระธรรมคาสอนที่พทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และได้มีการจดจำและบันทึกไว้ในพระคมพีพระไตรปิฎกนี่เป็นแหล่งแรกของการศึกษา ที่ชาวพุทธเราผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นควรจะเข้าหากันเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติต่อไปเพราะต่อไปหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราอาจจะต้องไปหาพระอริยสงฆ์ถ้ายังมีอยู่มาช่วยอธิบายมาช่วยขยายความวิธีการปฏิบัติ ที่ถูกต้องให้แก่พวกเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไปศึกษากับพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยะแต่ถ้าหนาจะไม่เป็นก็หรือเป็นก็ได้ไม่มีใครรู้เราก็จะใช้คําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นเครื่องวัดคําสอนของพระที่เราไปศึกษาไปปฏิบัติได้ เราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนตามคำสอนที่พรุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่ถ้าไม่ทรงไม่ทรงสั่งไม่สอนแบบที่พรุทธเจ้าทรงสอนไว้เราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่ได้สอนตามที่พรุทธเจ้าได้สอนแล้วถ้าเราถ้าท่านไม่สอนให้เราปฏิบัติตามที่พรุทธเจ้าได้สอนให้ปฏิบัติเราจะไปดุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะทุกวันนี้มีการไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปแบบด้วยกันทั้งพระทั้งโยมแล้วก็แต่ละองค์แต่ละท่านก็มักจะเชื่อกันว่าเป็นผู้เป็นพระอริยะกั น, นแต่ความจริงแล้วเราไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือ ไ, ไม่เป็นยกเว้นว่าท่านตายไปแล้วแล้วกระดูกของท่านนี้กลายเป็นอัธิกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมา เราถึงจะรู้ว่าพระอาจารย์รุ่นี้ท่านเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเราสามารถศึกษาพระธรรมคําสอนของท่านได้อย่างมั่นใจถึงแม้ท่านจะจากไปแล้วแต่ก็อาจจะมีคําสั่งคําสอนของท่านมีบันทึกเก็บไว้เป็นหนังสือบ้างเป็นเครื่องอัดเสียงบ้างเป็นแทบอัดเสียงบ้างเราก็ยังสามารถใช้คําสั่งคําสอนนั้น มาปฏิบัติมาสอนเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนเราก็อาจจะไม่รู้ว่าคาสอนของพระที่เราไปศึกษาหรืออาจารย์ที่เราไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีเป็นผู้ครองเรือนก็ดีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกต้องหรือไม่ ดังสิ่งแรกที่ชาวพุทธเราควรจะศึกษาก็คือศึกษาพระสูตรสำคัญสําคัญของพระพุทธเจ้าก่อน mm hmm. ซึ่งก็มีไม่กี่พระสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อวิมุติ mm hmm. เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ mm hmm. เช่นพระสูตรที่เราควรจะรู้จักก็คือต่อธรรมาจากกับประวัตนาสูตร mm hmm. เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงโปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้ารูปและหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเพราะส่วนนี้ท่านแสดงอะไรไว้ท่านทรงแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงมากแปดอริยสัจก็ทรงแสดงให้เห็นว่าทุกใจเกิดจากปัญหาความอยาก อยากจะให้ความทุกข์ใจหายไป<ม>ดับไปก็ต้องปฏิบัติมากแปดมากแปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาชีโว ส, สัมมาววาญโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นต้นนี<ม>่<ม>คือสิ่งทมที่ต้องปฏิบัติกันมีอยู่แปดข้อด้วยกัน แต่สมัยนี้มีบางอาจารย์ท่านเขาบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติสติก็ได้ไม่ต้องปฏิบัติสมาธิก็ได้ให้ปฏิบัติปัญญาไปเลยก็ได้อันนี้มันก็ขัดกับหลักธรรมที่พระเจ้าได้ส่งแสดงไว้ในมรรคแปดมรรคแปดมีทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วถึงค่อยไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปที่เป็นปัญญาต่อไปอันนี้คือ พระสูตรที่สำคัญอันแรกก็คือพระธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเราจะได้ไม่หลงทางถ้าใครมาสอนอะไรที่ไม่มีในในมรรคแปดนี้เนื้อตัดมรรคแปดไปเหลือแห้มรรคเจ็ดมรรคหกนี้ก็ควรที่จะสงสัยได้แล้วว่าแล้วมันจะสามารถทาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่อันนี้เป็นพระสูตรอันแรก ที่ส่งแสดงให้กับพระบัญจรว่าีอันที่สองที่แสดงให้กับพระบัญจรว่าีต่อมาก็คือพระอนัตตลักษณ์คณสูตรส่งแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นไม่มีตัวตนถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวตนก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็นเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไร น, นี่คือพระสูตรข้อที่สอง อ, อันที่สองที่ควรจะศึกษากันอันที่สามก็ทรงสแสดงเกี่ยวกับเรื่องชื่อของพระสูตรคืออาธิตัฏปริยายาสุตตะทรงสแสดงถึง รูปเสียงกิ่นรสผดสะพ้คือกามกคุณทั้งห้าว่าเป็นเหมือนเป็นไฟเป็นเป็นไฟที่ร้อนใครไปจับไฟแล้วก็จะต้องถูกไฟนั้นแผดเผาใครไปเสพรูปเสียงกิ่นรสผดสะพ้แล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเหมือนกับไปเล่นกับไฟนั่นเอง mm hmm. ถ้าไม่อยากจะถูกไฟเผาก็อย่าไปเล่นกับไฟอย่าเข้าใกล้ไฟ อย่าเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอย่าเบเศษกามมาคุณห้าแล้วก็จะปลอดภัยจากทุกข์แล้วพระสูตรที่สี่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสติปัฏฐานสูตร<ม>อันนี้จะสอนให้เจริญสติเจริญสมาธิแล้วเจริญปัญญาตามลำดับ<ม><ม>เบื้องต้นก็สอนให้เจริญสติ ด้วยการให้ผูกใจไว้ให้ระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวเวลาทำอะไรก็ให้เฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ร่างกายทำไปแล้วใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ผูกใจอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเรียกว่ากายยัคตาสติและเวลานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาก็ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออก ที่ปลายจมูกแล้วหลังจากที่ได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วก็ให้ไปพิจารณาปัญญาเพื่อละอุปทานความยึดติดในร่างกายในเวทนาและในจิต ต, ตามลำดับต่อไปพิจารณาให้เห็นว่ากายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นเป็นทุกข์ก็จะปล่อยจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากให้ร่างกายเวทนาจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยวางให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่ตัวเราของเราที่จะไปสั่งให้หันซ้ายหันขวาได้ เมื่อเราไม่ไปสั่งเขาเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เขาไม่ทําตามคำสั่งของเราอันนี้คือสี่พสูตรที่สำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมคือสีสมาธิปัญญาหรือมักแปดอยู่ในนี้ในอยู่ในสี่พสูตรนี้ถ้าศึกษาสี่พสูตรนี้แล้วเราจะมีเครื่องวัดคำสั่งคำสอน ของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราอาจจะต้องไปศึกษาด้วยเพราะว่าการศึกษาจากพระไตรปิฎกอย่างเดียวนี้อาจจะยังไม่ลึกซึ้งพอและการปฏิบัติที่ปฏิบัติเราก็อาจจะต้องไปอาศัยตามวัดต่างๆเราก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบัติด้วยเราก็จะได้รู้ว่าเราไปถูกที่หรือเปล่า ถ้าเราไปไม่ถูกที่เราก็จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ไปไปที่ที่มันถูกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า<ม>เพราะถ้าการปฏิบัติขัดเกับ<ม>หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีวันที่จะสําเร็จผลขึ้นมาได้เ<ม>พราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ครบบริบูรณ์ทุกประการไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป<ม>พระหลานสาวกงฆ่าร้อยรูปที่ประชุมกัน สามเดือนหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธ์พริุธนิพพานไปแล้วนี้มีความเห็นมีมติตรงกันเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนคำสั่งคำสอนไม่มีการเพิ่มไม่มีการตัดออกคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ที่สามารถนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ได้อย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนซึ่งสมัยนี้เราก็สามารถเข้าถึงพระไตรปิฎกผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยเพียงแต่กดชื่อก็อสุดเทรานั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้ศึกษาได้อ่านเราก็ต้องศึกษาให้อ่านและอ่านจนเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเรา ศึกษาแล้วเราก็นําำอาไปปฏิบัติเบื้องต้นเราอาจจะปฏิบัติที่บ้านเราไปก่อนก็ได้เพราะการปฏิบัติเบื้องต้นนี้ยังอาจจะไม่ต้องการที่ที่สงบมากถึงขนาดต้องไปอยู่วัดก็ได้แต่ต่อไปเมื่อการปฏิบัติเราจเจริญ ม, มากขึ้นสามารถกําจัดความทุกข์ได้มากขึ้นสามารถความสงบสร้างความสงบสุขให้แก่ใจได้มากขึ้น ก็อาจจะเห็นว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านนี้อาจจะมีอุปสรรคอาจจะไม่สะดวกต่อการที่จะทำให้ใจมีความสงบสุขมากขึ้นก็อาจจะต้องไปหาวัดที่สงบหาครูบาอาจารย์ที่สอนตามแนวที่พู้เจ้าได้ส่งสั่งสอนไว้ถ้ามีที่ที่สงบแล้วมีครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้องจำหลักทำแล้วการพัฒนา การปฏิบัติก็จะคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือนี่คือที่พึ่งข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะมีถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องมีครูมีอาจารย์ยกเว้นคนเดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าที่สามารถเข้าถึงธรรมันอันลึกซึ้งได้ด้วยพระองค์เอง และก็เป็นเหตุจําเป็นด้วยที่ทําให้พระ อ, องค์ต้องเข้าถึงพรก็ทำมันลึกซึ้งนี้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองเพราะพระ อ, องค์ก็ทรงไปสืบไปสสแสวงหาครูบาอาจารย์ให้สอนวิธีให้หลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดเวลาแต่ก็ทรงไม่มีใครสามารถสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตลอดเวลาสอนให้หลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวเวลาเข้าสมาธิเวลาเข้าฌานเท่านั้น ต่เวลาออกจากสมาธิออกจากฌานมาก็ยังต้องเจอกับความทุกข์กันทุกคนและก็ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของความทุกข์เวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธินี้เกิดจากอะไรและไม่ทราบวิธีที่จะกำจัดสาเหตุนั้นให้หมดไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปปฏิบัติตามลำพังลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ทรงค้นพบ สัจธรรมความจริงคือพระอริยสัจสว่าสาเหตุของความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากตัณหาความอยากสามประการกามาตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าอยากจะทําให้ความทุกข์ดับไปก็ต้องละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและการที่จะละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็ต้องมีมรร ก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหรือมีมรรคแปดนี้โดยเฉพาะตัวสำคัญก็คือตัวสติและตัวปัญญาตัวสติก็จะทาให้จิตนิ่งสงบให้มีกำลังที่จะที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ส่วนตัวปัญญาก็จะสอนให้ใจเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ปัญหาความอยากต้องการนั้นล้วนเป็นตายักล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นการมะคุณห้ากด็ดีรูปเสียงกลิ่นนรสผดถะะไม่ว่าจะเป็นรูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดี <Okay. S 1> ของเหล่านี้ถึงแม้จะให้ความสุขแต่ก็ให้ความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถให้ความสุขได้ตลอดเวลาพอาความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันที mm hmm. นี่คือการเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นอนัตตาว่าไม่สามารถทำให้ จังให้สิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับใจไปได้ตลอดไม่มีวันไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเหล่านี้มีมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นเองพอเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็จะสามารถละความอยากกา ม, มาตฐาหาได้ละความอยากภาวะฐานหาวิภาวะฐานหาความอยากในรูปประชานในอรูปประชานได้ล ะ, ละความอยากทั้งสามได้วิมุตติ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาใจก็จะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิถ้ากําจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเพียงอย่างเดียวก็จะไม่มีกําลังพอต้องเป็นกำปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นคือใจต้องมีอุเบกขามีกําลังที่จะหยุดหยุดนิ่งได้อยู่เฉยๆได้ ถ้ายัางทําใจให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ก็จะหยุดกิเลสไม่ได้หยุดตัณหาไม่ได้เพราะตัณหาก็อาศัยใจเป็นเครื่องมือตัณหาจะทำงานได้เมื่อใจไม่นิ่งไม่สงบทท้งนั้นแต่เวลาใจที่นิ่งใจสงบแล้วตัณหาก็จะทำงานไม่ได้ถึงเมาจะมีปัญญารู้อริยสัจสี่รู้ไตรลักษณ์ก็ตามแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาจากสมาธิ ก็จะไม่สามารถหยุดตัญหาความอยากได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากตัญหาได้อั mm hmm. นี้ก็คือการปฏิบัติที่จะต้องอาศัยที่พึ่งข้อที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโธคือตนเป็นที่พึ่งของตนเบื้องต้นก็ศึกษาเรียนรู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องวิธีปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโน สามีจิปฏิปนุมารู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรรู้แล้วต้องเจริญมากแปดต้องเจริญสีนสมาธิปัญญามากแปดก็คือสีนสมาธิปัญญานี่สีนก็คือสัมมากรัมโตสัมมาวาจาสัมมาชิวส่วนสมาธิก็ได้แก่สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสามังกัปโปถิญสมาธิปัญญาก็ยอดก็ยอดส่วนลงมาจากมรรคแปดนี่เพราะผู้ใดต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญมรรคแปดให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ใช่เลือกเอาว่าจะเอาแต่มรรคส่วนนี้มรรคส่วนนี้ไม่ต้องเอาก็ได้อันนี้ไม่มีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้า ตองอนต้องปฏิบัติให้ครบทั้งแปดองค์ด้วยกันให้ครบทังสามคือศีลสมาธิปัญญาจึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ด้วยการละตันหาความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง พระพุทธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติได้พดระพุทธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่ชี้ทางบอกทางชี้วิธีการของการหลุดพ้นว่าจะต้องทําอย่างไรเมื่อเมื่อรู้ทางแล้วก็ต้องเดินไปตามทางนั้นถ้ายังไม่ออกเดินทางยังไม่ปฏิบัติศีลยังไม่ปฏิบัติสมาธิยังไม่ปฏิบัติปัญญาวิมุติมรรคผลนิพพานก็จะไม่เกิดขึ้นมา การศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะนำพาไปสู่ผลที่ปาถนาได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ศึกษาก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้ไม่เป็นสุ ป, ปฏิปันโนไม่เป็นสามีจิ ป, ปฏิปันโนก็ได้เฉะนั้นต้องมีเบื้องต้นต้องศึกษาวิธี ของการปฏิบัติที่ถูกต้องกันมรรคแนี้คือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ต้องนำา อ, อกไปปฏิบัติปฏิบัติมรรคแดให้ได้เริ่มต้องเจอขั้นศีลก่อนเริ่มหัดรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองยสิบเจ็ดสุดแท้แต่ความสามารถกำลังของผู้ปฏิบัติ พ่าจะสามารถรักษาศีลได้กี่ข้อ<ม>ก็ต้องต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีศีลแล้วการที่จะไปเจริญสมาธิเจริญปัญญานี้ก็จะยากอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นคนที่ดื่มสุรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี่จะไม่สามารถไปฝึกสตินั่งสมาธิไปเจริญปัญญาไปฟังเทศฟังธรรมได้ หรือคนที่มีคดีความมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ก็จะต้องไปมีเรื่องการต่อสู้คดีกันในศาลหรือในในทางโลกกันไปก่อนเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ก็จะไม่สามารถเป็นไปได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ศีลห้าอย่างน้อยเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนไม่ไปมีปัญหากับใครไม่ไปสร้างความทุกข์ให ให้กับใครเพราะการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องการกำจัดความทุกข์ดังนั้นเราก็ต้องไม่ทำบาปเพราะการกระทาบาปเป็นการสร้างความทุกข์การไม่กระทำบาปก็คือเป็นการดับความทุกข์ในเบื้องต้นเราต้องดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก่อนด้วยการรักษาศีลห้าเมื่อรักษาสี่ห้าได้แล้วเราก็เพิ่มสิน เป็นศีแลแถ้าเราต้องการที่จะไปเจริญสตินั่งสมาธิเพราะถ้าเราไม่ยังไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับการปฏิบัติเพราะศีลศีลห้าไม่ห้ามให้เราไปทำกิจกรรมทางการมคุณห้ามเรายัางสามารถดูหนังฟังเพลงได้กินอาหารตลอดเวลาได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้แต่ถ้าถือศีแลแแล้วกิจกรรมเหล่านี้ก็จะถูกละงับไป เราก็จะได้มีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิได้มากขึ้นฟังเทศฟังธรรมได้บ่อยขึ้นแล้วเราก็จะได้เจริญสติได้สมาธิและได้ปัญญาตามลำดับต่อไปอมเมื่อเราได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วปัญหาความอยากของแต่ละขั้นก็จะถูกกําจัดไปด้วยกําลังของของสติสมาธิปัญญานี้จนกระทั่ง ตัญหาความอยากหมดสิ้นไปจากใจใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะเป็นใจที่เรียกว่านิพานใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใจไม่ได้หายไปไหนใจของผู้ที่บริสุทธิ์ใจของผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ได้อันตรธานหายไปอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากปัญหาความอยา ก, กตา่างๆ ที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็เลยสูญจากความทุกข์สูญจากความความอยากสูญจากผลของการมีความอยากก็คือสูญจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนั่นเองไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในการมาพบไม่ต้องไปเกิดในรูปะพบไม่ต้องไปเกิดในอรู ป, ประพบต่อไป ใจอยู่กับ<ม>นิพพานที่เป็นบรมังสุ ข, ขังนิบานังบรมังสุขขังอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คืออ น, นิสง์หรือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีที่พึ่งสองประการคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันที่หนึ่งคือเป็นที่พึ่งที่จะให้ความรู้ความสั่งสอนเรา เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็ต้องมีที่พึ่องอันที่สองก็คือตัวเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชาบตามที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้สั่งสอนมาเราก็จะสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอน นี่ก็คือเรื่องราวของการกำจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการสร้างที่พึ่งสองขั้นสอ ง, สอ ง, สองชนิดด้วยกันก็คือสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สารณะให้เป็นที่พึ่งทางใจของเราให้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนเราแล้วก็สร้างอัตตาหิอัตโนนาโถโือทำตัวเราให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว วิมุติบุดพ้นก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปนี่คือส่วนแรกของการก็แสดงธรรมในวันนี้ก็หมดเวลาพอดีประมาณสามสิบนาทีแล้วเราก็จะต่อด้วยส่วนที่สองก็คือการปฏิบัติธรรมธรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างมากก็คือการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีอุเบกขาให้ได้ถ้าใจมี อุเบกขาแล้วใจจะมีพลังมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้จะฝืนความอยากได้เวลาเกิดความอยากก็ไม่ต้องทําตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาจะจ ะ, จะทนไม่ไหวจะสู้ไม่ไหวดังนั้นเราจึงต้องให้ทุ่มเทเวลาในเบื้องต้นของการปฏิบัติให้กับการเจริญสติเพื่อให้มี กำลังที่จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความนิ่งได้การนั่งสมาธินั้นก็ต้องนั่งเพื่อให้จิตสงบให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความสุขใจที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและให้เกิดอุเบกขาใจปราศจากความลักชังก ล, งลัวหลงเราจะเป็น พลังของใจเวลาที่เจอกับความทุกข์ต่างๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็จะส า, สามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากปัญหาความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถพิจารณาปล่อยวางได้ถ้าเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นะั้นมันเป็นทุกข์เป็นสาลรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาดังนั้นสิ่งที่เราขาดกันมากตอนนี้ก็คือ สติกับสมาธิอุเบกขาปัญญานี้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยรู้เรื่องอริย ส, สัจสีรู้เรื่องใจรักแต่เราไม่สามารถใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวมาหยุดความทุกข์มาดับความทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่มีอุเบกขาจากสมาธิดังนั้นเราจะมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเพื่อทาใจให้นิ่งสงบให้ปล่อยวางให้วางเฉยให้เป็นอุเบกขาขึ้นมา การนั่งสมาธิจะให้เกิดผลนี้ต้องมีสติคอยกำกับใจตลอดเวลาให้ผูกใจไว้กับกรรมฐานเพื่ อ, อารมณ์ที่จะยึดเป็นที่เครื่องยึดเหี่ยวของจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปกับความคิดต่างๆกรรมฐานก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันในตำลาก็แสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดแต่เวลาเราปฏิบัติเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับกับจริตของเราเหมาะกับสภาพจิตของเรา ที่ท่ใช้กันทั่วไปก็คือการใช้ลมหายใจเข้าออกอนาปนสติหรือพุทธานุสติคือการการบริกรรมคาว่าพุโทโธพุโทโธอันนี้เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านมักจะสอนกันให้ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือให้ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ใจไปคิดึงเรื่องต่าง ถ้าบางท่านเวลาจะนั่งสมาธิตอนตอน้นใจยังมีความวุ่นวายอยู่ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่เราใช้ดูลมไม่ได้หรือบริกรรมพุโทโธไม่ได้<ม>ก็ใช้การสวรดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ทสูตรต่างๆหรือสวดบทไหนที่เราถนัดที่เราจำได้แต่อาจจะสวดถ้ามันสั้นก็สวดหลายๆรอบไปก็ได้สวดไปเพื่อกล่อมใจให้คลายความฟุ้งซ่านลงมา ให้สู่ให้เข้ามาสู่ในระดับที่สามารถดูลมหายใจได้หรือบริกรรมพุทธโธได้แล้วค่อยกลับมาบริกรรมพุทธโธหรือดูลมหายใจแล้วก็ให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทธโธไป mm. เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีมีมีภาพมีแสงมีเสียงมีอะไรก็ตามที่เข้ามาในขณะที่กาลังปฏิบัติก็อย่าไปสนใจให้ ผูกใจไว้กับกรรมฐานตลอดเวลาถ้าไปตามรู้แล้วเดี๋ยวใจก็จะฟุ้งขึ้นมาใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบถ้าอยากให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้มีความสุขให้เป็นอุเบกขาต้องผูกใจไว้กับกรรมฐานตลอดเวลาจนกว่าจะจิตเข้าสู่ความสงบแล้วกรรมฐานก็จะหายไปเองหมดหมดหมดความสำคัญไปเองถ้าใจสงบนิ่งแล้วมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้อง มีอะไรเพราะตอ น, นั้นใจนิ่งใจไม่ลอยไปกับความคิดแล้วนี้คือวิธีการของการนั่งสมาธิต้องนั่งอย่างมีสติอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็จะทําให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้ามีถูกใจไว้กับกรรมฐานก็อยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับเบิดส่วนวนวลก็ได้ หรืออยู่กับกรรมฐานแบบอื่นที่ท่านเคยใช้มาก็ได้กรรมฐานมีทั้ง40่สิบชนิงท่านอาจจะใช้โครงกระดูกก็ได้บางท่านอาจจะใช้อาการ32ก็ได้บางท่านอาจจะใช้ซ า, ากศพก็ได้อันนี้แล้วแต่จริตแล้วแต่กําลังของจิตของแต่ละคนที่จะเหมาะกับการจะใช้กรรมฐานอย่างไหนก็ต้องเลือกใช้เอาแต่ข้อสําคัญไม่ว่าจะใช้กรรมฐานแบบไหนก็ต้องมีสติ ปลูใจให้อยู่กับกรรมฐานนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้เผลอไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปตามรู้เรื่องอให้อยู่กับกรรมฐานเท่านั้นใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้แล้วต่อไปนี้ก็จะนั่งสมาธิกันไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นอย่างไรบ้างถ้าสงบดีมีความสุขก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งคราวหน้าก็เอาวิธีเดิมนี้ไปนั่งต่อได้เลยอย่าไปนั่งแบบอยากให้มันสงบเพราะว่าความอยากให้มันสงบนี้จะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีที่เรานั่งในวันนี้ที่สงบนี้จดจำเอาไว้แล้วเราจะนั่งต่อไป อาหน้าก็จะได้สงบได้ง่ายและต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรเทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติยุชิตาังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จังโทปนะระโสยถามณนีโชติระโสยถาสัพพิติโอวิวัชันตุสัพพโรโววินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโปภวะอภิวาทนศีลิษะนิจจังุทธาปัจจายโน จตารโธมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่เราจะสามารถตอบคำถามให้ได้พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวก กาจะต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำอีกดัง น, นั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เปรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุตติจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติสามร้อยห้าท่าน YouTube พระสุชาติไลฟสามร้อยเจ็ดสิบหก YouTube ด็อกเตอร์วีสี่สิบเจ็ดวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดคลับเฮาส์ห้าหน้ากุติหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบห้าท่านค่ะเดี๋ยววันนี้มีชาวต่างชาติก็อยากจะคุยด้วยเดี๋ยวหนูมาหยิบไมโครโฟนไว้ ข, าาข้ามาลังแล้วพูดใกล้ๆปา Please go ahead and ask or say whatever you want to say. Uh, thank you. It's um, I I get uh, what do you say shyed to talk in this audience. I thought I can be in a little bit more private talk. Unfortunately, but, but I have I have question about Buddhism and so on, and I thought you maybe can help me a little bit on this way. I can do but, it now, but, but I feel I feel this is a little bit big audience for me. Well, I'm, I'm sorry, sorry. <laughs> I don't have the time for private conversation. It's okay. Is there now a n o r Maybe maybe another time. Okay. <laughs> okay. When I'm more prepared, for t h i s Okay, I'm sorry, I just don't have the okay. time. Okay. Come on, come. Question r o m h e n e n g e ถ้าต้องอยู่กับคนที่มีความคิดในแง่ลบตลอดเวลาจะวางใจอย่างไรไม่ให้มีความทุกข์คะก็เรื่องของเขาความอยากของเราย้ายเขาเปลี่ยนทัศนคติของเขามันเลยทำให้เราทุกข์เพราะเขาไม่เปลี่ยนก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไปเท่านั้นเองเราก็อยู่ของเราไปเขาก็อยู่ของเขาไปคำถามจากทาง YouTube ดรวีค่ะ เราจะหยุดใจให้ไม่อยากได้อย่างไรคะก็ใช้สติเนี่ยพุโทโธพุโทโธเวลาเกิดความอยากก็พุโทโธพุโทโธไปหรือใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์ถ้าไม่ได้ไม่มีก็จะไม่ทุกข์อยากได้แฟนพอได้แฟนมาก็ต้องมาทุกข์กับแฟนอยากได้ลูกพอได้ลูกมาก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเสมอ เพราะสิ่งที่มีมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันมีเกิดมีดับนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะกับเรียนพระอาจารย์สมาธิที่ติดเพ่งกับสมาธิกับสัมมาสมาธิต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างแล้วก็วิธีทาสมาธิก็ต้องเพ่งจะดูลมก็ได้เพ่งอยู่กับลมก็เรียกว่าเพ่งพุทโธแล้ว อ, อยู่กับพุทโธก็เพ่งพุทโธไป จิตมันต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดอะไรแล้วจิตก็จะสงบนิ่งคำถามจากทาง Facebook ค่ะขณะที่นั่งสมาธิสักพักจะรู้สึกปวดขามากและจะและจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาค่ะจะต้องทำยังไงให้จิตสงบลงได้คะก็ต้องมีสติอยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือสวนวนไป เวลานั่งดูหนังไม่เห็นมันปวดเลยเ อ, อมานั่งสมาธิไม่กี่นาทีก็เริ่มปวดแล้วออกิเลสมันมันอยากจะลุกมันไม่อยากจะนั่งวิธีหยุดกิเลกก็คือต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จะลืมแล้วอาการปวดก็จะหายไปคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ นั่งสมาธิแล้วมีอาการมาแมงแตงไทั่วใบหน้ากำหนดรู้แล้วแผลไม่ตาอาการหายไปปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะก็แล้วแต่เราะถ้ามันทำให้เรานั่งต่อไปได้ก็ถูกต้องคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะเคยหยิบเอาหนังสือไมเวจากร้านกาแฟาที่เคยเปิดหน้าวัดยานไปอ่านที่บ้าน แต่พอจะเอาไปคืนตอนนี้ร้านเจ๊งไปแล้วเป็นร้านใหม่เปิดแทนควรทำอย่างไรคะไม่รู้เวลาคุณเอาไม่มาถามเราคุณเอามาเวลาเอาเขามาไม่มาถามเราก่อนแล้วเวลาจะไปคืนเขาเราจะมาถามเราได้ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันคาถามจากทางเฟ e b ุ๊ k ค่ะ ทำสมาธิระหว่างการเดินออกกําลังทํางานบ้านถักโครเชต์วาดรูปทําได้ไหมคะไม่ใช่เป็นการทําสมาธิเป็นการเจริญสติเป็นการจดจอ่อให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้คิดอะไรแต่จะไม่นิ่งไม่สงบเป็นสมาธิถ้าอยากจะให้เป็นสมาธิต้องไม่ทําอะไรต้องนั่งเฉยเฉยยังไม่มีคําถามใช่ไหม ยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะคือสติกับสมาธินี่เป็นคนละอย่างกันสตินี้เป็นการควบคุมให้ใจลอยไปลอยมาผูกใจไว้กับกรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าออกมือพุโทโธพุโทโธหรือกับการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายแต่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ใจก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ ก็จะให้ใจเข้าสมาธิใจต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหรือพุโทโธไป<ม>แต่ต้องไม่มีการกระทำอะไร<ม>ถ้ามีการกระทำจิตยังต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เมื่อมีการเคลื่อนไหวจิตก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ดนั้นต้องการเข้าสมาธิต้องหยุดการกระทำทางนั่งกายแล้วก็ควบคุมใจให้อยู่กับกรรมฐาน<ม>อยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธ แล้วใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะมีเวทนาทางร่างกายเป็นมะเร็งที่ปอดปวดมากๆเวลาปวดให้ดูลมแล้วก็เวลาปวดให้ดูลมขอโทษครับเวลาปวดดูลมแล้วก็จะหลงมาที่ปวดอยู่บ่อยๆ ขอคำชี้แนะพระอาจารย์ค่ะเพราะเราไม่มีกําลังดึงจิตให้อยู่กับลมสติเรามีน้อยมันก็เลยดึงไม่อยู่ถ้าอยากจะให้มีสติมากก็ต้องฝึกต้องเจริญสติให้มากขึ้นเจริญตอนที่ยังไม่ปวดเจริญทั้งวันทั้งคืน ย, ยกเว้นเวลาหลับให้อยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้ให้ฝึกไปทั้งวัน แล้วพอเวลาเกิดอาการปวดเราก็จะมีกำลังดึงใจไม่ให้ไปอยู่กับความปวดได้ให้กลับมาอยู่ที่ลมได้แล้วอยู่กับพุทโธได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำไว้ก่อนสติเราจะมีกำลังน้อยราไม่สามารถดึงใจให้ออกจากอาการเจ็บปวดได้ยต้องพยายามฝึกสติทั้งวันไปก่อนอย่าไปรอให้มันเกิดอาการปวดขึ้นมาแล้วถึงถึงค่อยมาใช้สติมันจะไม่ทันการ คำถามจากทาง facebook ค่ะฟังธรรมจากพระอาจารย์ในช่วงต้นแล้วแต่หลับตาทําสมาธิไปด้วยรู้สึกสงบไม่มีความคิดถูกต้องไหมคะก็ได้ผลอย่างหนึ่งก็คือได้ความสงบแต่อาจจะไม่ได้ปัญญาถ้าเราไม่ได้ฟังนอคิดตามเราก็จะไม่ได้ความรู้แต่ก็ใช้การฟังธรรมเป็นวิธีทํำสมาธิก็ได้การฟังธรรมนี้ได้ประโยชน์สองอย่าง ถ้าฟังแล้วคิดตามก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ความเข้าใจได้รู้วิธีการที่ถูกต้องว่าจะต้องทำอะไรแต่ถ้าฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจเพียงแต่ฟังเสียงไปเรื่อยๆหรือไปดูลมหายใจแทนก็จะได้สมาธิได้ความนิ่งสงบแต่ไม่ได้ปัญญาคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ขอโทษค่ะจากทางดูยู u ูบด็อร์ค่ะทำอย่างไรให้จิตไม่วอกแวกเผลอแว บ, บไปทางอากุศลบางทีเผลอแบบอยู่ก็เหมือนแว บ, บเข้ามาในหัวต้องควบคุมอย่างไรดีครับต้องเจริญสติบ่อยๆพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆแล้วพอเกิดอกุศลขึ้นมาก็ใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วอกุศลก็จะหายไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธและอกุศลมันก็เดี๋ยวมันก็จะหายไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะไม่ทราบว่าศีแปดทานเฉาวกล้วยได้ไหมคะหรือเป็นสงโกโก้ใส่น้ําตาลแทนได้ไหมคะใครนะสีกาล่ะศีแปดค่ะสีแปด น, น, นี่หลังจากเชยงวันแล้วอะไรที่เป็นอาหารนี่ก็กินไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เป็นเป็นยาอย่างนี้ก็ลก็รับประทานได้ต้องต้องต้องเช็คดูก่อนว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารนี่เฉาวกว้ยนี่ไม่รู้มันเป็นอาหารหรือเป็นยารักษาโรคอะไรได้เปล่าโรคหิวคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ถ้ามีแต่สติแต่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่ระลึกถึงอริยสัจสีไปด้วยจะมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างไหมคะก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าปัญญาก็ไม่มีกำลังที่จะไปตัดกิเลสหยุดความอยากได้เขาไม่มีสมาธิงั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญา ปัญญาที่ไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังเช่นตอนนี้เรารู้ว่าเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความอยากของเราแต่เราก็หยุดความอยากของเราไม่ได้แ ส, สดงว่าเรายังไม่มีกำลังไม่มีสมาธิพอต้องฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้สามารถทําใจให้นิ่งให้เฉยให้ได้พอเราทําใจให้นิ่งให้เฉยได้เวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วรู้ว่าเกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากได้ แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปเหมือ น, นก่อนที่จะใช้ปัญญามันตัดดับความทุกข์ได้ต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดความทุกข์แบบชั่วคราวก่อนพอใจเข้าสมาธิความทุกข์ก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็จะกลับขึ้นมาใหมา่ถ้าอยากจะให้มันไม่เกิดหรืออยากจะให้มันหายไปโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิตอนนั้นก็ต้องเข้าใช้ปัญญา หสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็จะพบว่า เ, เกิดจากความอยากต่างๆเราก็ต้องสอนใจให้หยุดความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์อพรมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราให้ทำอะไรตามความต้องการของเราได้เสมอไปพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยาก พาเราหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะไม่มีต่อไปในใจของเรามีคำถามมีไหมยังไม่มีอีกไหมค่ะมีใครอยากจะถามไหมตอนนี้ช่วงนี้ถามได้นะไม่ต้องเกรงใจแต่เวลาเราเลิกแล้วจะไม่สะดกวกเพราะต้องมีเรื่องอื่นที่จะต้องทำต่อเดี๋ยวญาติโยมมันจะขอเข้ามาถ่ายรูปบ้างบางท่านยังไม่ได้ถวายของมาที่หลังก็อยาเอาของเข้ามาถวาย